มีความทุกข์ทรมานอะไรก็เป็นความทุกข์ทรมานที่เนื่องมาจากสาเหตุในทางจิตใจเท่านั้นเพราะในขณะที่กำลังจะตายจริงๆนั้นประสาททั้งหมดจะชาเป็นนามภาพไม่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังจะตายจริงๆถ้าความทุกข์ทรมานทางใจไม่มีในขณะนั้นจะรู้สึกแจ่มใสและสบายมากและที่สาคัญที่สุดก็คือคนในโลกมนุษย์เท่านั้น ที่มองเห็นว่าคนตายก็คือคนที่หมดสิ้นทุกอย่างซึ่งรวมทั้งชีวิตด้วยแต่ตรงกันข้ามคนที่กำลังจะตายซึ่งถ้าหากในขณะนั้นไม่หลับคือหมายถึงตกภวังและวิญญาณก็หลับได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่กำลังจะตายซึ่งถ้าหากในขณะนั้นไม่หลับก็จะรู้สึกว่าตนเองกำลังมีชีวิตใหม่อยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งโลกที่ว่านั้น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 จึงไม่ควรจะลัวต่อความตายแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเมื่ออ่านข้อความนี้แล้วก็คงจะต้องงงเพราะไม่เข้าใจและไม่เชื่อด้วยว่าความจริงจะเป็นเหมือนดังที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเมื่ออ่านแล้วจะเข้าใจทันทีไม่มีปัญหาอะไรสาหรับเขาฉะนั้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีพื้นในเรื่องนี้มาก่อน ข้าพเจ้าจึงจะขออธิบายความรู้ในเรื่องนี้ตั้งแต่เบื้องต้นไปทีเดียวดังต่อไปนี้